ต่ถึงตัวไม่ชีพูดเองเนี่ยก็ต้องสารภาพ ว, ว่าตอนที่พระอาจารย์อธิบายให้ทราบเนี่ยก็นึกสับนึกอยู่ในใจเหมือนกันว่าเราเองก็เปล่งกล่าวมานานพอควรภาษาก็อ่านเป็นนะคะฟังเขาก็มากแต่ไม่เคยคิดและลึกถึงมุมนี้ทำไมเราไม่ลึกถึงมุมนี้ที่ที่แยกขายทีจริงจริงแล้วมองโดยถ้อยภาษาที่พระอาจารย์กรุณาชี้แจงให้เราเนี่ย ก็เป็นท้อยภาษาง่ายๆปัญญาเราไปไหนอาแล้วแล้วที่เหลือว่าไมนีต่อไปคืออย่างนี้วิธีตั้งอัธยาศัยก็คือว่าหนึ่งก็เหมือนที่บอกว่า บางท่านก็้าตั้งถ้าดูในหลักของสัมมรประธานนี่ในหลักของสัมมรประธานเนี่ยตรงนี้ก็คือว่ามีอยู่ข้องคำว่าสัมมรประธานนี่ท่านใช้คำว่าอบ ป, ปันนานังอากุสลานังธรมมานังปหานายาวายาโมใช่ไหมซัดิ้ มาทำขอดูสับบลีนิดทีนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของอุปัณ น, นะหรือว่าอนุปันนานังอากุศลานาังธรรมานังปาอุปอนุปาทายาวายาโมเป็นต้นี้ประการแรกคือความภาคเพียรเพื่อลักอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสันดานของตน สก็คือภาคเพียนเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมที่จะเกิดในสันดานของตนไม่ให้เกิดขึ้นแม้เพียงครั้งเดียวในพบต่อไปนี่กลุ่มจ่วนคำว่าอนุ ป, ปันนานังกุสลานังธรรมานังอนุ ป, ปาทายาวายามมความภาคเพียนเพื่อ ย, ยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นในสันดานของตนให้เกิดขึ้นในสันดานของตน อุ ป, ปันณานังกุศรานังดัมมานังพิญโยภาวาะวายาโมบอกว่าความภาคเพียรพยายามเพื่อให้กุศลธรธรมที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสันดานของตนให้ถึงความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ถึงความเป็นนินยามาธรรมคือธรรมที่แน่นอนชั้นของโลกุตละทีนี้ก็มาแยกว่าในสันดานของสัตว์โลก คำว่าสันดาลในที่นั้นในกระแสในกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายนี่เนะี่ยผู้เย็นวหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรมีสันดานอยู่สองอย่างสันตานะคือการสืบต่อนะจำเข้าใจนะคําคํานี้ไม่ใช่หยาบเดี๋ยวจะเอามาใช้สัพ์บาลีทับสับนี่เนะี่ยเอามาใช้คําว่าสันตานะคืออุปนิสัยของสัตว์นี่นะที่เกิด ที่สืบต่อเวียนไหว้าตายเกิดในสังสารวัฏนั่นแหละแต่จะใช้ศัพท์ตรงนี้ก็ไปปุ๊บเนี่ยภาษาพระรู้อะไงเงี้ยนะเดี๋ยวมาบอกเอ๊ะทำไมใช้คำว่าสันดานใช่ไหมสันดานะปปนนะอุปันนาอุปันนะอกุศลนั้นอย่างหนึ่งกับอนุ ป, ปันนะอกุศลนั้นอย่างหนึ่งคำว่าอุปปันนะอกุศลคืออดีตอกุศล และปัจจุบันอกุศลหมายถึงอะไรหมายถึงกลุ่มอกุศลเก่ากลุ่มทุจริตเก่าที่ผิดพลาดมาจากพบคนก่อนจนถึงทุกวันเนี้ยบาปอากุศลธรรมเก่าเก่าทุจริตเก่าเก่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเก่าเก่าในพบก่อนก่อนที่ทําไปแล้ว อัธยาศัยเดิมๆในสังสารวัตที่ผ่านมาที่เชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบันพนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปปันนะอกุศลเป็นบาปเก่าทุจริตเก่าอากุศลกรรมเก่าๆถามว่าบาปเก่าอุปอกุศลกรรมเก่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมความเห็นผิดมิจฉาสังกปะความดำริผิด มิจฉาวาจาการกล่าววาจาผิดมิจฉากรรมมันตะการกระทำการงานผิดมิจฉาอาชีวะอาการเลี้ยงอาชีพที่ผิดมิจฉาวายามะความเพียนพยายามที่ผิดมิจฉาสติระลึกที่ผิดพลาดมิจฉาสมาธิการตั้งมั่นที่ผิดพลาดนี่เป็นทุจริตหมดไหมเก่าๆที่เคยทำมาในอดีตภพเชื่อมโยงมาจนเป็นอัธยาศัยในปัจจุบนันภพ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปปันณะอกุศลแปลว่าอากุศลที่เกิดแล้วที่เกิดแล้วทำมาเรียบร้อยแล้วบาปเหล่านี้ทําในหมดเกลี้ยงแล้วแก้ไขได้ไหมไม่ได้แล้วมันเกิดแล้วและบางอย่างให้ผลไปแล้วก็มีไอ้ที่ไม่ให้ผลนี่เยอะมเยอะมากๆเลยไม่ใช่ธรรมดา นี่พูดให้เขียนความสะดุ้งสะเทือนของสังสารวัตรฉะนั้นตอนนี้เรายืนอยู่ในแท่นที่ดีๆนะ่ะอย่าอย่าอย่าประมาทเด็ดขาดด้วยซ้ทำทั้กันอย่าประมาทไม่รู้บาปเก่าทุจริตเก่าอักษศาสตกรรมเก่ามันจะเข้ามาเล่นงานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องป้องกันใดๆเลยตอนเนี้ยไม่มีเลยเพราะการที่ไม่ยอมเป็นทาสของภาษาสดามาอย่างยาวไกลอย่างแท้จริงนี่แหละ นี่คือความประมาทคือความที่เราเนี่ยเขามองอย่างไรเราไม่มีจักสู่ของภระรยาสช้ตาสั้นมองอดีตไม่เห็นมองบาปเก่ามองโทษจริตเก่ามองอกุศลแการการเก่าในพบเก่าๆเนี่ยอดีตเก่าๆ ย, ยาวไกลมากก็คิดดูที่ว่าถ้าสองเอานับแค่สองพันกว่าปีเนี่ยคนก็บรรลุกันหมดนะแต่เราหลอดมาเนี่ย มีสองพันกว่าปีแล้วนะเอาแค่พบนี้เนี่นะเอาแค่ตั้งแต่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแล้วประกาศพระธรรมใช่ไหมนับพุทธเจา้าปฐมนิพพานปุ๊บสองพันห้าร้อยเท่าไหร่สองพันห้าร้อยเท่าไหร่ห้าสิบสี่ปีแล้วนับหลังพุทธบริษณ์นิพพานปุ๊บปีเงนนับนะอันนี้ไม่นับแปดสิบนะไม่นับพระชนมายุ ข, ของพระเจ้าแปดสิบ ไม่นับ45ปีพระองค์ประกาศศาสนานะถามเราเกิดกี่ชาติมาแล้วเห็น ไ, ไหมเราเราเราหลุดพ้นไม่ได้แล้วหลังจากนั้นที่พุทธเจ้าผ่านมานับไม่ได้เราก็เคยผ่านดินแดนผ่านวัสตาสงสารในสังสารวัฏมาอย่างยาวไกลเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่เฉยๆที่ไม่ทำบุญทำบาป นั่นแหละก็นี่มองถึงบาปก่อนบาปเก่าทุจริตเก่าอากุศรกรรมเก่าใช่ไหมทั้งมิจฉามักทั้งหลายทั้งอกุศรกรรมอบอดสิททั้งหลายทั้งราคาโทสาโมหามานะทิฏฐิวิจชชาหิริกานาุตปาอุทะจาวิชาพยาบาทอะไรกัเยอะแยะไปหมดที่เคยทํามาแล้วเกลือ ก, กั่วกะเจตนาที่เป็นอกุศลเยอะหมดเลยอันนี้มองในมุมบาป มีเขาเรียกอุ ป, ปันณะอกุศลเสร็จเรียบร้อยยังจะถึงปัจจุบันอาภพนี้นี่ปัจจุบันอาภพนี้ใครอายุเท่าไหร่ที่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงที่ทํามาแล้วไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ละคนที่ทํามาเนี่ยจนกว่ามานั่งอยู่นวันนี้ใช่ไหมวินาทีเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยบาปเก่าทศจริญเก่ามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเยอะไหม อันนี้นับแค่พบนี้ก็นับไม่ไหวแล้วใช่ไหมเราลึกไม่ได้เราเยอะใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงอดีตแล้วนับแต่ละชาติละชาติละชาติละชาติจะระลึกไม่ได้มันยุ่งเลยเนี่ยนะทีนี้อดีตอกุศล น, นั้นดับไปยังดับหมดได้ยังอดีตอดีตบาปเนี่ยดับไปหมดได้ยังดับไปแล้ว จับไปหมดแล้วแก้ไขได้ไหมเอาอาดีตมาชักประวัติแก้ไขไม่ได้แล้วเช่นเราไปทําปานาดิบาศออาค่าเข้าไปเสร็จแล้วทําไงไปทําอาทินนาทานออาลักเรียบร้อยไปแล้วไปทำกาเมสุลมิชฌาจาร์ผิดไปเสแล้วไปทํามุสาวาทปิสุนาวาจาพรุสาวาจาสัมภปราปะอภิชาพยาบาทมิชฌาทิเทียเรียบร้อยไปหมดแล้วทีนี้ ต่อเมื่อได้โอกาสกรรมเหล่านั้นก็จะให้ผลในอบายเท่านั้นให้นรกบ้างให้สัตว์เดรัจฉานบ้างให้เปรตบ้างให้อสุรกายบ้างเขาจะให้อย่างเงี้ยกรรมเหล่านั้นนะถ้าก็ตามมาให้ทันนะเขาก็จะนําลงสู่อบายเท่านั้นไม่มีการเกื้อกูลกันเด็ดขาดไม่มีการต่อรองไม่มีการต่อรองว่า ไอ้มีเราตำแหน่งสูงเนะี่เกรงใจกันบ้างไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยนี่นี่เราเราเรายิ่งใหญ่มากนะคุณเห็นใจเราเห็นเห็นตำแหน่งเราไหมเนี่ยบาปจะเกรงใจไหมไม่เกรงใจบ่าปเขาไม่สนใจเราคุณตำแหน่งอะไรเขาไม่รู้เรื่องเขาคุณทําเองไนงะคุณต้องทับเอง น, นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้น อ, อาเดชอกุศลเหล่านั้นนะ น, นะ ถ้าไม่ให้ผลนําเกิดถ้าเขายังไม่ให้ผลนําเกิดในไบโยภูมินะถ้าไปไม่ให้ผลนําเกิดในการเกิดนไบยาสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์โรกหรือสัตวาา์เดรัจฉานหรือเปรตหรือสระกายถ้าไม่ให้ผลนําเกิดนะเรารอดมาได้มาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานะหรือเป็นพรหมนะอัธยาศัยที่เป็นบา ป, ปกุศลก็ฝังติดแน่นในอัธยาศัยในขันธสันดานอยู่ตลอดเวลานะ ก็แปลว่าเรามีโอกาสผิดคาดได้อีกเยอะไหมเพราะกำลังของการทำบาปมีฉะนั้นมาในรูปแบบของอะไรเขาเรียกสักกายทิฐิคือความเห็นผิดนั่นแหละเป็นตัวเป็นเชื้อในการที่ตัวล่อฉะนั้นเมื่อมีอดีตอกุศรลกรรมเป็นจำนวนมากมายที่จะทำให้ไปตกสู่อบายหรือสู่เวจีได้เนี่ยอย่างนี้ ต้องเรียกว่าอากุศนเก่าอากุรกรรมเก่าทุจริตเก่าที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลกําลังเฝ้ารออยู่ไหมกําลังเฝ้ารออยู่อันเนี้เขาเรียกว่าอุ ป, ปันนะอกุศลกําลังเฝ้ารอเราดูเฝ้ารอเราอยู่ถ้าเรามีถ้าเรารู้ตัวมีมหาโจรกําลังจะป้นตัดคอเราอยู่เนี่ยชีวิตเราจะประมาทได้ไหม ไม่อยากประมาทเลยใช่ไหมแต่จริงๆมีจริงๆนะฉะนั้นอุปนิสัยอกุศลเก่าและทุจริตกรรมเก่าเนี่ยเป็นธรรมที่เนื่องอยู่กับสักยทิฏฐิคือความเห็นผิดความสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาใครยังถอดไอ้สักยะทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่ได้เนี่ยมันอาศัยตัวเนี้อยู่ ฉันอุปัณธนะอกุศลเก่าทุจริตเก่ากรามเก่าที่ยังไม่ได้ให้ผลจกไม่เสื่อมจกไม่เสื่อมยิงอยู่เขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนะ็นท้าตาก็ยิงนะแต่เขาไม่เสื่อมคายตราบใดที่เรายังหนีเขาไม่ได้เรายังหนีเขาไม่ได้นี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือเมื่อสักกายทิฏฐิ ถ้าสักยะทิฏฐิดับลงนะเพราะการเห็นอนัตตลักษณะปรากฏชัดคือเห็นทุกข์เห็นอนัตอ น, น่อยังทุกขงังโดยเฉพาะอนัตตาปรกากฏชัดพ่อได้โสดาปภิมัคเนะี้ออุปปันนาอากุศลทั้งหลายก็พลอยดับลงโดยไม่มีเหลือด้วยอยังยกตัวอย่างเช่นว่าอากุศลกรรมทั้งหลายที่จะนำเกิดในใบพภูมิทั้งหมดนะพอโสดาปภิมัคเกิดปุ๊บ ร่วงถอยหมดเลยบาปเก่าทุจริตเก่าอุโศกรกรรมเก่าที่จะรอโอกาสให้ผลลงอบัยภูมิก็พังทลายคืนหมดเลยเห็นไหมมันจะดับทันทีด้วยโสดาปฏิมานี่จะโสดาปฏิมาษยังไม่เกิดขึ้นในกระแสขันของท่านผู้ใดโอ้โหไม่มีความปลอดภัยเลยอะ่ะทุจริตเก่าเ อ, อุกโศกกรรมเก่าบาปเก่า มองเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นถ้าตราบใดยังไม่ทําโสดาปริมารคให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้สภาพที่น่าสะพึงกลัวก็จะเกิดขึ้นจะทํำยังไงต้องรีบหาที่พึ่งจริงไห้เดนเนี่ยต้องมอบกายถวายจริงจริงไหมเนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ปลอดภยัยเราเป็นสาที่ไม่ปลอดภยัย แต่พระศาสดาเนี่ยเป็นที่หลบภัยพระพุทธเจ้าเป็นที่หลบภัยพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่หลบภัยเออเราได้ที่พึ่งเมื่อเรามีสาระเรามีที่พึ่งเราเกิดความกลัวขึ้นมาเราจะขนพองสยองก้าวไม่คิดแบบเนี้ยถ้าใครคิดเป็นเนี่ยขนพองสยองก้าวจะรีบหาที่พึ่งแต่ถ้าหาว่าคิดไม่เป็นเน่ยก็นั่งยิ้มอยู่นี่เห็นเป็นไรหรือ ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ใช่เ่าคนเดียวเยอะแยะเต็มไปหมดด้วยเหรแต่พี่พูดอย่างนั้นนะเอางี้นะลองตั้งน้ํามันแล้วร้อนแล้วเอามือแย่เลยเอาแค่นี้ยที่บอกโอ้โหเราทนได้อ่ะเอาเอาเอ า, เอาเทียนก็ได้นะจุดเทียนเยนะี่ยกลับไปที่ห้องเอยวไปจุดเทียนเผาเผารือก็หนะึ่จุดเทียนเผามือลองดูเอาไฟเล็กๆเกนะี่ย เอามือแห่ก็ไปดูที่ร้อนไหมโอ้ขนาดเทียนแค่นี้ยังร้อนว่างั้นอบายภูมิหนกักกว่านี้ยังไม่กลัวอีกหรือก็ถามตัวเองเนี่ยกลัวไหมถ้าใครตับส ก, กรยริยที่ถดได้ทำโซดาเป็นมารให้เกิดได้จักไม่มีโอกาสได้เจออบายภูมิเกินแม้แต่ความฝันแม้แต่ความฝันก็ไม่เจอ ฉะนั้นพระโสะดาบันจะไม่ได้ฝันบาปอากุศลใดๆที่เกี่ยวกับนี้ลักษณะที่ว่าจะลงสู่ใบโูมีมิตรหมายของใบโพมนี่หมดสิ้นไปในกระแสขันธสันดานของท่านเรานั้นทันทีที่เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เรายังดับไม่ได้เลยเนี่ยเยอะหมดเลยไฟคือบาปทั้งหลายเนี่ยที่มันถ้ามองแล้วเนี่ยข้างหน้าไอข้างหลังนี่ล้อมมาเต็มเลยเนี่ย ตอนนี้ไฟมันถึงถึงถึงข้างหลังยังมันรนอยู่นะตอนเนี้มันเป้าดูอยู่ด้วยฉะนั้นเอาอุปนณะอากุศลเนี่ยนะอกุศลตอบมาก็คืออนุปนนะอากุศลอันนี้เขาเรียกว่าอากุศลใหม่อนุปนนะอากุศลก็แปลบาปทุจริตใหม่อากุศลกรรมใหม่หรืออกุศลที่จะเกิดในอนาคตงั้นตั้งแต่ไหน คำว่านาคดีนับแต่ไหนอ่ะนับตั้งแต่วินาทีข้างหน้าเนี่เป็นอนาคตนี่เขาเรียกว่าบาปใหม่ทุจริตใหม่อากุศ ล, ลกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวินาทีข้างหน้าอันนี้เป็นอนาคตไหมเขาเรียกว่าอนุปปณะอกุศลอนุปปณะอากุศล บาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่ก็คืออะไรบ้างอะกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกระป๋มิจฉาวาจามิจฉากามันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิใหม่ๆใช่ไหมข่าสารลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศต่อเสียดคำยาเพื่อเจริความโลภ ความโกรธแล้วก็ความเห็นผิดที่มันจะเกิดขึ้นในวินาทีข้างหน้านี้เป็นบาปใหม่ทุจริตใหม่ไหมอนุปปณะกุศลที่จักผิดพลาดต่อไปยังมีอยู่ไหมมีไม่มีนั้นที่จักผิดพลาดต่อไปตั้งแต่ขนาดนี้เป็นต้นไปฉะนั้นบาปใหม่ทุจริตใหม่ตัวละครใหม่ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้เป็นอนันต์ตากตับบุคคลคนหนึ่งหนึ่งในพบหนึ่งหนึ่งเกิดได้มากไหม นี่ตอนนี้พอเรารู้อย่างนี้เบ็ดเสร็จเราเลยต้องรีบมอบกายไงถ้าเราทําตามพระเจ้าเราจะปลอดภัยไหมตอนนี้ยเราเดินตามท่านอย่างเดียวท่านว่าอย่างไงรตั้วตามตอนี่ทํำยังไงทําตามเชื่อโดยไม่มีข้อแม้เลยเนะ่ยไม่มีความวิตกกังวลใดๆเลยถ้าใครจะมาบอกให้ผิดทางไม่เอาไม่เอาบาปกาลังจะเล่นงานเราอยู่มัวกังวลคุณจะประมาทเรือ่องของคุณอย่ามาชวนเราประมาทด้วยเราบอกเท่นี้ได้ไหม แต่คนจะมาชวนบอกเออเนี่ยเดี๋ยวๆฮัลโหลง้นสังสรรค์นหน่อยที่มีการดื่มนิดน้อยไม่เป็นไรหรอกเราจะไปตอบเขาว่าไง <c oughs> รึกว่ามาพบกันลยาณมิตรจะได้มีการรู้กระธรรมบ้าง <c oughs> ตรงนี้ก็คืออย่างนี้ว่าถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือทำไม่เห็นอะไรไม่เห็นว่า ถ้าเรารู้อย่างนี้เราสามารถที่จะให้คำตอบเขาได้แต่ไม่ไ ม, ไม่ทําใจเราบอกว่าโอ้ไม่ไม่กล้าเลยถามทำไมบาปแม่แต่นิดยังไม่คิดอยากจะทำถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในอดีตผิดพลาดมาเยอะ ฉะนั้นวินาทีตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าคืนไปผิดพลาดอีกเนี่ยมันเป็นการเพิ่มบาปในปัจจุบันเรพบให้มากมายซึ่งไม่ต้องมีใครมาชวนมันก็ผิดพลาดอยู่แล้วเพื่อนบอกเขาไงพี่ก็ได้อาก็ได้ป้าก็ได้ปกติอยู่คนเดียวก็อยากจะบาปอยู่แล้วกูณาอย่ามาชวนเราไปทำบาปด้วยมั้งขอร้องเธอ เราอยากจะเฝ้าพระเจ้าก็ยังใจเรายังไม่ค่อยอยากจะเฝ้าจริงจริงยงจังเราถวายชีวิตแล้วถวายชีวิตอีกก็ดูเหมือนจะเล่นๆอยู่เนิ่งๆไม่ค่อยจริงจังเลยยิ่งมาชวนอย่างนี้อย่าชวนเป็นครั้งที่สองที่สามใจโล่อนใช่ไหมเขาบอกความจริงเขางี้ยได้ไหมบอกถ้าชวนมากใจอ่อนไหมใจแล้วก็อ่อนเพราะเราเป็นเพศที่อ่อนไหวง่ายอยู่แล้วเนี่ย ยิ่งเห็นน้ำตาได้แล้วหัวอ่อนเอออ่อนเป็นไฟรนเทียนเลยพอบอกว่าจะไปเจริญกุศลนี่พ่อแม่บ้านร้องไห้คุณกล้าจะทิ้งเราอยู่กันมาตั้งนานทำไมคุณใจดำอย่างนี้จะทำไงโห้ยต้องอธิบายเยอะเลยเนี่ยลากลากเส้นยาวเลยเีเนี้ก็ตรงนี้ไงเพราะถามว่าโดยมากเราจะยอมกับบาป แต่เราจะแข็งกับบุญเราจะปฏิเสธบุญนะแต่เราจะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธบาปนี่เราพลิกความคิดใหม่ได้ไหมถ้าบาปปฏิเสธถ้าบุญนี่น้อมเข้าหาเลยถ้าอย่างนี้ได้ใช่ไหมใจจะแข็งแรงอย่างนี้ก็แต่บางครั้งอยู่คนเดียวนี่มีแต่เสียงว่าทำแป๊บแป๊ป๊แ ป, แป๊มองไปไม่ค่อชื่นใจไม่เป็นอรรมนาที่ปรดีซะแล้ว แต่ลมอื่นมันรู้สึกมันขึ้นเครงแล้วยนะตรงนี้เนี่ยท่านถึงบอกไงบอกว่าเนี่ยจะเกิดเป็นนานตักตรงนี้ก็คือว่าบาปใหม่ทุติริทใหม่อกุปโกรรมใหม่ทั้งหลายเหล่านเนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในพบหนึ่งหนึ่งอย่างมากมายฉะนั้นอนุปปน า, ากุศสที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากอะไรจากสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดนี่แหละเรามีเชื่ออยู่นะ ไอเชื่อความเห็นผิดที่คอยต้อนรับที่จะทำบาปมีอยู่เต็มไปหมดอยู่เนี่ยถ้าดับสั ก, กยะทิฏฐิได้เมื่อไหร่นะอนุปณนาคปัศชใหม่ก็ดับลงอย่างไม่เหลือแม้เพียงอนูเดียวเหมือนกันเนาะแล้วก็จะไม่เกิดอีกต่อไปแม้ในภพต่อต่อไปฉะนั้นบุคคลที่ยังลาสั ก, กยะทิฏฐิไม่ได้นะหรือแอ้วกนนะ็ชีวิตกว่าเสียวแต่ถ้าลาได้ ที่ละสกายติทิได้แล้วนะเป็นผู้ไม่ได้พบเจอบาปอากุศล น, นะจะไม่พบเลยนะจะไม่พบปานาติบาตจะไม่พบอธินนาทานการเมสุมิชฌาจาร์มูสาวาจปีสุนาวาจาพุทสวาจาสัมภะ พ, พลา ป, ปะอภิชาพยาบาทมิชฌาทิฐิถ้าดับสกายทิฐิได้นะจะไม่เอาเลยปาณาติบาตยังไม่พบเลยฝันก็ไม่พบไม่มีฝันว่าฆ่าสัตว์ พระสวัสดบิบาลจะไม่ฝันว่าฆ่าสัตว์ไปซ้ำไปอย่างเราเนี่ยเห็นปุ๊บยังใช่ไหมใจยังน้อมที่โกรธจะทําอยู่เรื่อยต้องคอยระวังอยู่เรื่อยนะอย่างเราต้องคอยให้วิรตีเนี่ยวิรตีเนี่ยคือสภาวธรรมที่คอยมาตัดรอนเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าที่เป็นเหตุแห่งการลักที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกรรมที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอือ ที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพที่ผิดภาคทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งพยาบาทเอยอภิชาพยาบาทและความเห็นผิดเราจะต้องให้วิรตีเนี่ยมาทํากิจในการก็ตัดรอนเวรและเจตนากุศลตลอดเราต้องพยายามละนะพยายามทําให้ให้กุศลเกิดนะแต่ถ้าเป็นพาลยานแล้วเรียบร้อยแล้วท่านตัดได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องมาเพียนพยายามละเลยอะการละของท่านเป็นสมูเฉ ท, ทะเรียบร้อยแล้ว เป็นอัธยาศัยของท่านท่านจึงไม่ฝันเลยท่านไม่เคยฝันเลยนะว่าฆ่าสัตว์รักท ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, รัพย์ประพฤติผิดในกรามอย่างเราเนี่ยบางครั้งตั้งใจได้ในขณะนี้ลืมตาตื่นนี่นะพอไปนอนมันแทรกมาความฝันฝันไม่ได้ทำบาปฝันว่าถูกกระทำเยอะแยะนี่ไงความไม่ปลอดภัยเรามีอยู่ตลอดเวลายังไม่กลัวหรือถ้ามองอย่างนี้เบเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้เราได้สารณะเลนะนะ ไม่มีใครหวังดีต่อเราเท่ากับพระพุะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเข้าใจนี้ก็ชัดเจนเลย